ขันธยมกหนึ่งปณติวานอุทเทศ 1. ขันห้าคือหนึ่งรูปขันกองรูปสองเวทนาขันกองเวทนาสาสัญญาขันกองสัญญาสสังขารขันกองสังขาร 5. วิญญาณขันกองวิญญาณ 1. นึ่ปทัสโสธนาวานอนุโลมสอ รูปเป็นรูปขันใช่ไหมรูปขันเป็นรูปใช่ไหมเวทนาเป็นเวทนาขันใช่ไหมเวทนาขันเป็นเวทนาใช่ไหมสัญญาเป็นสัญญาขันใช่ไหมสัญญาขันเป็นสัญญาใช่ไหมสังขารเป็นสังขารขันใช่ไหมสังขารขันเป็นสังขารใช่ไหม วิญญาณเป็นวิญญาณขันใช่ไหมวิญญาณขันเป็นวิญญาณใช่ไหมปัจจานีกะสสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นรูปขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปขันไม่เป็นรูปใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นเวทนาขันใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาขันไม่เป็นเวทนาใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นสัญญาขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญาขันไม่เป็นสัญญาใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นสังขารขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารขันไม่เป็นสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณ ไม่เป็นวิญญาณขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณขันไม่เป็นวิญญาณใช่ไหมสองปทโสธนะมูลจักรวาลอนุโลมสีรูปเป็นรูปขันใช่ไหมขันเป็นเวทนาขันใช่ไหมรูปเป็นรูปขันใช่ไหมขันเป็นสัญญาขันใช่ไหมรูปเป็นรูปขันใช่ไหม ขันเป็นสังขารขันใช่ไหมรูปเป็นรูปขันใช่ไหมขันเป็นวิญญาณขันใช่ไหมห้าเวทนาเป็นเวทนาขันใช่ไหมขันเป็นรูปขันใช่ไหมเวทนาเป็นเวทนาขันใช่ไหมขันเป็นสัญญาขันใช่ไหมเวทนาเป็นเวทนาขันใช่ไหมขันเป็นสังขารขันใช่ไหม เวทนาเป็นเวทนาขันใช่ไหมขันเป็นวิญญาณขันใช่ไหม 6. สัญญาเป็นสัญญาขันใช่ไหมขันเป็นรูปขันใช่ไหมสัญญาเป็นสัญญาขันใช่ไหมขันเป็นเวทนาขันใช่ไหมสัญญาเป็นสัญญาขันใช่ไหมขันเป็นสังขารขันใช่ไหมสัญญาเป็นสัญญาขันใช่ไหม ขันเป็นวิญญาณขันใช่ไหมเจ็ดสังขารเป็นสังขารขันใช่ไหมขันเป็นรูปขันใช่ไหมสังขารเป็นสังขารขันใช่ไหมขันเป็นเวทนาขันใช่ไหมสังขารเป็นสังขารขันใช่ไหมขันเป็นสัญญาขันใช่ไหมสังขารเป็นสังขารขันใช่ไหมขันเป็นวิญญาณขันใช่ไหม 8. วิญญาณ เป็นวิญญาณขันใช่ไหมขันเป็นร <arel> ูปขันใช่ไหมวิญญาณเป็นวิญญาณขันใช่ไหมขันเป็นเวทนาขันใช่ไหมวิญญาณเป็นวิญญาณขันใช่ไหมขันเป็นสัญญาขันใช่ไหมวิญญาณเป็นวิญญาณขันใช่ไหมขันเป็นสังขารขันใช่ไหมปัจจนิกะก้สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นรูปขันใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหมสิ 10. สภา dafür, วธรรมที่ heaven, ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหม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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม 13. สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นเบทนาขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นวิญญาณขันธ์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมิญญาณไม่เป็นมิญญาณขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหมสมสุดทธขันธวาลอนุโลม14รูปเป็นขันธ์ใช่ไหมขันธ์เป็นรูปใช่ไหมเวทนาเป็นขันธ์ใช่ไหมขันธ์เป็นเวทนาใช่ไหม สัญญาเป็นขันใช่ไหมขันเป็นสัญญาใช่ไหมสังขารเป็นขันใช่ไหมขันเป็นสังขารไม่ใช่ไหมวิญญาณเป็นขันใช่ไหมขันเป็นวิญญาณใช่ไหมปัจจณิกาสิบห้สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นรูปใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นเวทนาใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นสัญญาใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณ ไม่เป็นขันใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นวิญญาณใช่ไหมสี่สุดทธขันทมูลและจั ก, กรวาลอนุโลมสิรูปเป็นขันใช่ไหมขันเป็นเวทนาใช่ไหมรูปเป็นขันใช่ไหมขันเป็นสัญญาใช่ไหมรูปเป็นขันใช่ไหมขันเป็นสังขารใช่ไหม รูปเป็นขันใช่ไหมขันเป็นวิญญาณใช่ไหม17เวทนาเป็นขันใช่ไหมขันเป็นรูปใช่ไหมเวทนาเป็นขันใช่ไหมขันเป็นสัญญาใช่ไหมเวทนาเป็นขันใช่ไหมขันเป็นสังขารใช่ไหมเวทนาเป็นขันใช่ไหมขันเป็นวิญญาณใช่ไหม18 สัญญาเป็นขันใช่ไหมขันเป็นรูปใช่ไหมสัญญาเป็นขันใช่ไหมขันเป็นเวทนาใช่ไหมสัญญาเป็นขันใช่ไหมขันเป็นสังขารใช่ไหมสัญญาเป็นขันใช่ไหมขันเป็นวิญญาณใช่ไหม19ก้าสังขารเป็นขันใช่ไหมขันเป็นรูปใช่ไหมสังขารเป็นขันใช่ไหมขันเป็นเวทนาใช่ไหมสังขารเป็นขันใช่ไหม ขันเป็นสัญญาใช่ไหมสังขารเป็นขันใช่ไหมขันเป็นวิญญาณใช่ไหม 20. สวิญญาณเป็นขันใช่ไหมขันเป็นรูปใช่ไหมวิญญาณเป็นขันใช่ไหมขันเป็นเวทนาใช่ไหมวิญญาณเป็นขันใช่ไหมขันเป็นสัญญาใช่ไหมวิญญาณเป็นขันใช่ไหมขันเป็นสังขารใช่ไหมปัจจณิกะยีอ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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นวิญญาณใช่ไหมยี่สิบสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นรูปใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสัญญาใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นขันธ์ใช่ไหม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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นเวทนาใช่ไหมสภาวธรรมที THERE, you, ่ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นวิญญาณใช่ไหมยี่ิสสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นขันธ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นรูปใช่ไหม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 สภาวะธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นสังขารใช่ไหมปนัตติวาละอุเทศจบหนึ่งปนัตติวาละนิเทศหนึ่งปทัสโสธนาวาลอนุโลม26อนุโลมปุจฉารูปเป็นขันใช่ไหมวิจชชนาปิยรูปสาตรูปเป็นรูปแต่ไม่เป็นรูปขัน รูปขันเป็นรูปก็ใช่เป็นรูปขันก็ใช่ปฏิโลมปุจฉารูปขันเป็นรูปใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาเวทนาเป็นเวทนาขันใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาเวทนาขันเป็นเวทนาใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสัญญาเป็นสัญญาขันใช่ไหม วิจัชนาทิฏฐิสัญญาเป็นสัญญาแต่ไม่เป็นสัญญาขันสัญญาขันเป็นสัญญาก็ใช่เป็นสัญญาขันก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสัญญาขันเป็นสัญญาใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสังขารเป็นสังขารขันใช่ไหมวิจัชนาเว้นสังขารขันแล้วสังขารที่เหลือเป็นสังขารแต่ไม่เป็นสังขารขัน สังขารขันเป็นสังขารก็ใช่เป็นสังขารขันก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสังขารขันเป็นสังขารใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาวิญญาณเป็นวิญญาณขันใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาวิญญาณขันเป็นวิญญาณใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัจจณิกะยี่สเจ อน um ุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นรูปขันใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปขันไม่เป็นรูปใช่ไหมวิจัชนาปียรูปสาตารูปไม่เป็นรูปขันแต่เป็นรูปเว้นรูปและรูปขันแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นรูปก็ใช่ไม่เป็นรูปขันก็ใช่ อนุลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นเวทนาขันใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาขันไม่เป็นเวทนาใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นสัญญาขันใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญาขันไม่เป็นสัญญาใช่ไหม วิจัชนาทิฏฐิสัญญาไม่เป็นสัญญาขันแต่เป็นสัญญาเว้นสัญญาและสัญญาขันแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นสัญญาก็ใช่ไม่เป็นสัญญาขันก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นสังขารขันใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารขันไม่เป็นสังขารใช่ไหม วิจัชนาเป็นสังขารขันแล้วสังขารที่เหลือไม่เป็นสังขารขันแต่เป็นสังขารเว้นสังขารและสังขารขันแล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นสังขารก็ใช่ไม่เป็นสังขารขันก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวะธรรมที่ไม่เป็นมิญ ญ, ญาณไม่เป็นมิญ ญ, ญาณขันใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา สภาธรรมที่ไม่เป็นวิญยาณขันไม่เป็นวิญญาณใช่ไหมวิจัชนาใช่สองปัทโสธนามและจักรวาลอนุโลม2ี่สแปดอนุโลมปุจฉารูปเป็นรูปขันใช่ไหมวิจัชนาเปียรูปสาตารูปเป็นรูปแต่ไม่เป็นรูปขันรูปขันเป็นรูปก็ใช่เป็นรูปขันก็ใช่ ปฏิรลมปุจฉาขันเป็นเวทนาขันใช่ไหมวิสัชนาเวทนาขันเป็นขันก็ใช่เป็นเวทนาขันก็ใช่ขันที่เหลือเป็นขันแต่ไม่เป็นเวทนาขันอนุโลมปุจฉารูปเป็นรูปขันใช่ไหมวิสัชนาเปียรูปสาตารูปเป็นรูปแต่ไม่เป็นรูปขันรูปขันเป็นรูปก็ใช่เป็นรูปขันก็ใช่ ปฏิโรมปุจฉาขันเป็นสัญญาขันใช่ไหมวิจัตรชนะสัญญาขันเป็นขันก็ใช่เป็นสัญญาขันก็ใช่ขันที่เหลือเป็นขันแต่ไม่เป็นสัญญาขันอนุโลมปุจฉารูปเป็นรูปขันใช่ไหมวิจัตชนะเปียรูปสาตารูปเป็นรูปแต่ไม่เป็นรูปขันรูปขันเป็นรูปก็ใช่เป็นรูปขันก็ใช่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 ปฏิโลมปุจฉาขันเป็นว um ิญญาณขันใช่ไหมวิจัชนาวิญญาณขันเป็นขันก็ใช่เป็นวิญญาณขันก็ใช่ขันที่เหลือเป็นขันแต่ไม่เป็นวิญญาณขันยี่สกอนุโลมปุจฉาเวทนาเป็นเวทนาขันใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาขันเป็นรูปขันใช่ไหมวิจัชนารูปขันเป็นขันก็ใช่เป็นรูปขันก็ใช่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 ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นเวทนาขันธ์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นสัญญาขันธ์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่ไม่เป็นรู Allison, ปไม่เป็นรูปขันใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นสังขารขันใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นรูปขันใช่ไหมวิทัชนาใช่ปฏิโมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นวิญญาณขันใช่ไหมวิทัชนาใช่ สามสิบสี่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็น เ, เวทนาไม่เป็นเวทนาขันใช่ไหมวิศัตชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นรูปขันใช่ไหมวิศัตชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นเวทนาขันใช่ไหมวิศัตชนาใช่ ปฏิโมปุจฉา ส, s <|ja|>> <S สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นสัญญาขันใช่ไหมวิจัชนะใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นเวทนาขันใช่ไหมวิจัชนะใช่ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นสังขารขันใช่ไหมวิจัชนะใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนา ไม่เป็นเวทนาขันใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นวิญญาณขันใช่ไหมวิจัชนาใช่สาสิบหอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป uh ็นสัญญาไม่เป็นสัญญาขันใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นรูปขันใช่ไหมวิจัชดาใช่ อนุโลมปุจรฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นสัญญาขันใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจรฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นเวทนาขันใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจรฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นสัญญาขันใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจรฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นสังขารขันใช่ไหม วิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นสัญญาขันใช่ไหมวิจัชนา um, ใช่ปติโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นวิญญาณขันใช่ไหมวิจัชนาใช่36อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขานไม่เป็นทั้งขานขันใช่ไหมวิจัชนาใช่ ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นรูปใช่ไหมวิจ uh ัชนาใช่อน uh ุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป <ten> 네 <house> ็นสังขารไม่เป็นสังขารขันใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นเวทนาขันใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นสังขารขันใช่ไหมวิจัดชนาใช่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 วิสัญญาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นรูปขันใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นวิญญาณขันใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นเวทนาขันใช่ไหมวิสัชนาใช่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 ปฏิโลมปุจฉาขันเป็นวิญญาณขันใช่ไหมวิจัดชนาวิญญาณขันเป็นขันก็ใช่เป็นวิญญาณขันก็ใช่ขันที่เหลือเป็นขันแต่ไม่เป็นวิญญาณขันปัจจนีกะ39อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นขันใช่ไหมวิจัดชนาเว้นรูปแล้วขันที่เหลือไม่เป็นรูปแต่เป็นขันเว้นรูปและขันแล้ว สภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นรูปก็ใช่ไม่เป็นขันธ์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธ์ไม่เป็นรูปขันธ์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาว ธ, uh. าว ธ, าวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป Estamos ็นขันธ์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นเวทนาแล้วขันธ์ที่เหลือไม่เป็นเวทนาแต่เป็นขันธ์ เว้นเวทนาและขันแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นเวทนาก็ใช่ไม่เป็นขันก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นเวทนาขันใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัญญาไม่เป็นขันใช่ไหมวิจัดชนาวเว้ น, วเวนสัญญาแล้วขันที่เหลือไม่เป็นสัญญาแต่เป็นขัน เว้นสัญญาและขันแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นสัญญาก็ใช่ไม่เป็นขันก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นสัญญาขันใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นขันใช่ไหมวิจัชนาเว้นสังขารแล้วขันที่เหลือไม่เป็นสังขารแต่เป็นขันเว้นสังขารและขันแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นสังขารก็ใช่ไม่เป็นขันก็ใช่ ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นทั้งขานขันใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิญญาณไม่เป็นขันใช่ไหมวิจัชนาเว้นวิญญาณแล้วขันที่เหลือไม่เป็นวิญญาณแต่เป็นขันเว้นวิญญาณและขันแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นวิญญาณก็ใช่ไม่เป็นขันก็ใช่ปฏิโลมปุจฉา สภาบธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นวิญญาณขันใช่ไหมวิจัชนาะใช่สสุทธขันธมูลและจั ก, กรวาลอนุโลม40อนุโลมปุจฉารูปเป็นขันใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาขันเป็นเวทนาขันใช่ไหมวิจัชนาะ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 สัญญาเป็นขันใช่ไหมวิทิชนะใช่ปฏิโลมปุจฉาขันเป็นวิญญาณขันใช่ไหมวิทัชนะวิญญาณขันเป็นขันก็ใช่เป็นวิญญาณขันก็ใช่ขันที่เหลือเป็นขันแต่ไม่เป็นวิญญาณขันสี่สมอนุโลมปุจฉาสังขารเป็นขันใช่ไหมวิทัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาขันเป็นรูปขันใช่ไหม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 ป Lights ัจจณีกะ45หอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที mantra, ่ไม่เป็นรูปไม่เป็นขันใช่ไหมวิจัชนาเว้นรูปแล้วขันที่เหลือไม่เป็นรูปแต่เป็นขันเว้นรูปและขันแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นรูปก็ใช่ไม่เป็นขันก็ใช่ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นเวทนาขันใช่ไหมวิจัชนาใช่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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นบบรูปไม่เป็นขันใช่ไหมวิจัชนะ เ, เว้นรูปแล้วขันที่เหลือไม่เป็นรูปแต่เป็นขัน เ, เว้นรูปและขันแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นรูปก็ใช่ไม่เป็นขันก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นวิญญาณขั น, น, น, นใช่ไหมวิจัชนะใช่46อนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นขันใช่ไหมวิจัชนะเว้นเวทนาแล้วขันที่เหลือไม่เป็นเวทนาแต่เป็นขันเว้นเวทนาและขันแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นเวทนาก็ใช่ไม่เป็นขันก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นรูปขันใช่ไหมวิจัชนาใช่ อนุรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนาไม่เป็นขันใช่ไหมวิจัชนาเว้นเวทนาแล้วขันที่เหลือไม่เป็นเวทนาแต่เป็นขันเว EN ้นเวทนาและขันแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นเวทนาก็ใช่ไม่เป็นขันก็ใช่ปฏิโรมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันไม่เป็นสัญญาขันใช่ไหมวิจัชนาใช่